สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่472เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูปรากฏในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อที่1ถึงข้อที่5โปรดฟังพระชนะของพระเจ้าเมื่อพระเยซูตรัส ด, ดังนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงแหงนพระพักขึ้นดูฟ้าและตรัสว่า พบิดาเจ้าค่ะถึงเวลาแล้วขอทรงโปรดให้พระบุตรของพระองค์ได้รับเกียรติเพื่อพระบุตรจะได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ดังที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้พระบุตรมีอำนาจเหนือมนุษย์ทั้งสิ้นเพื่อให้พระบุตรประทานชีวิตนิรัน์แก่คนที่พระองค์ทรงมอบแก่พระบุตรนั้นและนี่แหละคือชีวิตนิรันต์คือที่เขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวและรู้จักพระเยซูคริส ที่พระองค์ทรงใช้มาข้าพระองค์ได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ในโลกเพราะข้าพระองค์ได้กระทําสิทธิ์กิจที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์กระทํานั้นสําเร็จแล้วปัจบันนี้พระบิดาเจ้าข้าขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ได้รับเกียรติต่อพระพักของพระองค์คือเกียรติซึ่งข้าพระองค์ได้มีส่วนร่วมกับพระองค์ก่อนที่โลกนี้มีมาเพียงครับในพจนะพระเจ้าตอนนี้เราจะเห็น คำว่าเกียรตอยู่ห้าครั้งด้วยกันเราเห็นคําว่าเกียดอยู่ห้าครั้งด้วยกันซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากคมอธิษฐานของพระเยซูในพระธรรมยอห์นบทที่สิบเจ็ดทั้งบทนี้เป็นการสรุปคําสอนของพระเยซูที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านั้นคือในบทที่สิบสี่สิบห้าและสิบหกเข้าใครับหากพี่น้องมีเพิ่มพีอยู่ เราเปิดดูในพระธรรมยอนบทที่สิบสี่สิบห้าสิบหกเราจะพบว่าเป็นพระธรรมภีร์ที่หลายหลายคนท่องได้ในหลายๆข้อตัวอย่างเช่นในพระธรรมยอญบทที่สิบสี่ข้อหนึ่งอย่าให้จันทรทั้งหลายใจทั้งหลายวิตกเลยทั้งวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นนันมากถ้าไม่มีเราคงได้บอกทันแล้วนี่เป็นตัวอย่างครับว่า คำสอนบทที่สิบสี่สิบ้าสิหกนั้นสําคัญมากทีเดียวบทที่สิบห้าเรื่องเราเป็นเถวหุ่นแท้พระเยซูนะครับก็เป็นแถาว่างหุ่นพระเยซูตัดว่าพระบิดาเป็นผู้ที่ดูแลรักษาแขนแดงทุกขนแดงที่ไม่ออกผลพระเจ้าก็จะตัดทิ้งเสียนี่คืออยู่ในบทที่สิบห้าและบทที่สิบหกนะครับเราก็ได้พูดไปเป็นเวลานับสิบครั้งเลยทีเดียว ก็คือเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับและในบทที่สิบเจ็ดพระเยซูกำลังปลอบใจให้กำลังใจเหล่าสาวกนะครับและพระองค์ได้ทรงแสดงออกถึงความห่วงใยต่อสาวกด้วยการอธิษฐานการอธิษฐานของพระเยซูบทนี้เป็นคำอธิษฐานที่ยาวที่สุดที่ได้รับการบันทึกไว้เนื้อหา ของคำอธิษฐานนี้สามารถแบ่งออกได้เป็นสามตอนนะครับสามตอนก็คือตอนแรกนั้นอยู่ในข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้าเป็นคำอธิษฐานที่พระเยซูอธิษฐานถึงตนเองถึงตัวของพระองค์เองและต่อไปในข้อที่หกจนถึงข้อที่สิบเก้าก็พูดถึงคาอธิษฐานที่พระเยซูอธิษฐานเผื่อสาวกของพระองค์ในขณะนั้นหลังจากนั้นในข้อที่ยี่สิบ จนถึงข้อที่ยี่สิบหกเป็นคําอธิษฐานที่พระเยซูได้อธิษฐานเผื่อสาวกของพระองค์ในทุกยุคทุกสมัยรวมทั้งพวกเราด้วยครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาจึงสามารถแบ่งออกได้เป็นสามตอนเรื่อนี้จึงเป็นสิ่งที่ดีครับที่เราจะใช้เวลาหลายวันหลังจากนี้ที่จะพิจารณาใค่อวๆอย่างเฉพาะเจาะจงถึงความสําคัญความจําเป็นที่พระเยซูจะต้องอธิษฐาน และเมื่อพระเยซูอธิษฐานนั้นเพื่มบีได้บันทึกว่าโปร่งรงแงนมองหน้าขึ้นฟ้าสวรรค์และโปร่งอธิษฐานเผื่อตัวเองเผื่อสาวกในขณะนั้นและเผื่อสาวกในทุกยุคทุกสมัยในเช้าวันนี้นะครับเราจะเริ่มต้นด้วยคําอธิษฐานในข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้าเราจะเริ่มต้นด้วยคําว่าเกียรติครับภาษาอังกฤษคือคําว่า glory ในข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้านั้นผมได้กล่าวไว้นะครับว่าเราพบคําว่ากรอรี่นั้นถึงห้าครั้งด้วยกันเปียสูตรัดถึงคําว่าเกียร์ในข้อที่หนึ่งในข้อที่สามและในข้อที่ห้ารวมกันทั้งหมดมีคําว่าเกียร์ถึงห้าครั้งนะครับพี่น้องครับเราจะค่อยๆดูนะครับในข้อที่หนึ่งได้บอกว่าถึงเวลาแล้วขอทรงโปรดให้พระบุตรของพระองค์ได้รับเกียรติเพื่อบุตรจะได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ตรงนี้เราเห็นชัดเจนนะครับว่า การรับเกียรติจากพระเจ้าพระบิดานั้นก็เพื่อที่จะถวายเกียรติคืนแด่พระองค์ก็แสดงว่ามีการให้เกียรตินะครับระหว่างพระบิดาและพระบุตรพระเยซูการให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างพระบิดากับพระบุตรนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตรีเอกนุภาพครับดังนั้นเราจรึงเข้าใจว่าพระองค์นะครับหมายถึงพระบิดาพระบุตรนั้นต่างก็มีความเท่าเทียมกัน ได้รับเกียรติสังหาราศีเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะเห็นถึงความเป็นพระเจ้าในตรีกันุภาพนะครับในขณะเดีวยวกันครับในทางกลับกันซาตานเป็นผู้ที่จะขโมยเกียรติและมันต้องการที่จะรับเกียรติแทนปรากฏนในพระธรรมอิสยาห์บทที่สิบสี่ข้อสิบสองถึงสิบสี่ครับเราเขียนชัดเจนว่านี่คือสิ่งที่เบียชูกําลังอธิษฐานนะครับเพื่อที่จะได้เกียรติและถวายเกียรติกับคืน แด่พระบิดาในคำอธิษฐานนี้นั่นคือประเด็นแรกที่ผมอยากจะแบ่งปันนะครับการให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างพระบิดาและพระเยซูคริสต์ประเด็นที่สองครับก็คือว่าเราเห็นว่าพระเยซูอธิษฐานทูลขอการประทานเกียรติแด่พระบิดาแสดงให้เห็นว่าพระเยซูนั้นทรงยอมรับและให้เกียรติพระบิดาเป็นผู้ที่พระบิดาส่งลงมาเพื่อประจารณาภารกิจที่ยิ่งใหญ่ในการช่วยโลกให้รอด ในข้อที่สามได้แสดงถึงภารกิจของพระเยซูคือการนํามาซึ่งชีวิตนิรันต์ให้กับชาวโลกที่รู้จักกับพระองค์ข้อที่สองนะครับบอกว่าดังที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้พระบุตรมีอำนาจเหนือมนุษย์ทั้งสิ้นเพื่อให้พระบุตรประทานชีวิตนิรันต์แก่คนที่พระองค์ทรงมอบแก่พระบุตรนั้นนี่นะครับตรงนี้มีสองนะครับสองประเด็นด้วยกันสองจุดด้วยกันที่มีความสําคัญก็คือว่าพระบุตร หรือพระเยซูนั้นมีอำนาจเหนือมนุษย์ทั้งสิ้นนะครับถามว่าทำไมจะต้องมีอำนาจเหนือมนุษย์ทั้งสิ้นก็เพื่อที่จะประทานชีวิตนิรันดร์นะครับให้แก่คนที่พระองมอบแก่พระบุตรนั้นตั้นหมายความว่าพระบิดานั้นได้ทรงเลือกครับนะครับได้ทรงเลือกพระเยพร ะ, พระเยซูทำหน้าที่เรียกนะครับเรียกพระเจ้าพระบิดาทำหน้าที่เลือกพระเจ้าพระเยซูทาหน้าที่เรียก พระเจ้าพระบิดามอบนะครับมอบพวกเรานะครับให้กับพระบุตรพระบุตรก็เรียกพระบุตรก็ประทานชีวิตนิล น, นี่ครับคือสิ่งที่เป็นประเด็นสําคัญประเด็นที่สองเราจะพบว่าการทํางานนะครับการปฏิบัติของพระเยซูนั้นก็คือทําตามพระทัยของพระบิดานะครับเป็นการประสานงานเป็นการร่วมงานกันอย่างอย่างสอดคล้องนะครับใน กรีการรูปภาพชัดเจนมากครับพระเยซูทรงยอมรับได้ให้เกียรติพระบิดาว่าพระองค์เป็นผู้ที่พระบิดาส่งมาเพื่อประกอบภารกิจนั้ยิ่งใหญ่ในการช่วยโลกงหรอดนะครับประเด็นสุดท้ายครับในวันนี้ก็คือการได้มาซึ่งเกียรติของพระองค์หมายถึงการสิ้นพระชนบนแม่งเขนครับการสิ้นพระชนแม่งเขนของพระเยซูทําให้พระเยซูได้รับเกียรติในพระธรรมฟิลิปปีบทที่สองข้อที่เก้าถึงข้อสิบเอ็ดกล่าวชัดเจนครับ หลังจากที่เยซูทรงถ่อมพระองค์ลงจนกระทั่งถึงความมรณาแม้กระทั่งความมรณาที่แม่นเข็นแล้วต่อมาในที่สุดนั้นพระบิดาพระเจ้าได้ทรงยกลงขึ้นอย่างสูงเหนือน้ำทั้งปวงนี่คือเกียรติที่พระเยซูได้รับจากพระบิดาคําสอนในเรื่องนี้ก็คือว่าการที่เราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนนั้นชีวิตของเราในในวันสุดท้ายในวันที่พระเจ้าทรงพิพากษาเราจะได้รับเกียรติจาก พระองค์สิ่งที่เราสิ่งที่นามาซึ่งเกียรตินะครับก็เหมือนกับที่พระเยซูได้รับเกียรติก็คือพระเยซูยอมเสียสละชีวิตของพระองค์เพื่อคนมากมายเช่นเดียวกันครับชีวิตของเราก็จะต้องยอมเสียสละความสุขส่วนตัวยอมรับรับความทุกข์ยากลาบากยอมแบกการข่มเหงรับการข่มเหงยอมที่จะให้คนอื่นเข้าใจผิด เพื่อที่เราจะได้รับสิ่งที่ยุติธรรมพี่น้องครับอย่าลืมว่าพระเจ้าของเรายุติธรรมครับพระองค์จะทรงธรรมและจงตอบสนองด้วยความยุติธรรมต่อทุกๆกรณีที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับเราทนได้เราก็ได้รับเกียรติเราได้รับเกียรติเมื่อเราได้ทนทุกข์เพื่อพระองค์เราได้รับเกียรติเมื่อเราได้รับใช้ได้ปรินาตัวถวายแด่พระองค์ เราจะได้รับเกียรติเมื่อเราได้ทำตามน้ำทยของพระองค์เราจะได้รับเกียรติเมื่อเราถวายเกียรติแด่พระองค์ในที่สุดพระองค์ก็จะให้เกียรติเราต่อหน้าทูตสวรรค์ต่อหน้ามนุษย์คนทั้งหลายมากมายในวันพิพากษาและเกียรติที่พระเจ้าให้นี้จะดำรงตลอดไปเป็นนิดขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะได้รับเกียรติอย่างแท้จริงจากมนุษย์เราคงไม่ต้องแสวงหาเกียรติใด เราจะต้องได้รับเกียรติจากพระเจ้าเราคงไม่ต้องแสวงหาเกียรติใดๆจากมนุษย์อามน